ก <c oughs> ารเวลาการเวลาผัานไปผันไปเนี่ยขันเท่าไปสังเกตไปซ่อมเบิงเรื่องต่างๆเลยนะขันได้ตั้งใจสังเกตตั้งใจซ่อมทิชเชอรหน้าเบิงเนี่ยเข้าทิ่ฉลาถึงมาหลายอยู่เลย ก็สีสลาดในเรื่องเหมือนมันละ่ะอันเรื่องทีห้องเห็นนั่นแหละซึงทุกสิ่งทุกอย่างสีห้องเห็นนี่นมากระทบนหมมันเคี่ยวกับเเฮงทั้งนั้นมันเคี่ยวกระต า, าเฮงเคียวกระหูหูนี่แหละมันเขามาแล้เมื่อก็เขามา้าเขามาหาใจเปลี่ยนการเห็นทันง้งเกตเบืง้งโอ้จริงต่างต่างเนี่ย ปัากกดอยู่นี่ยมันเข่ามามันเข่ามาหาใจจิตตัวฉันเท่าได้ตั้งใจดูนะตั้งใจซ้อมเบื้งเนี่ยมันจะเห็นดอกเท่าจีพานมากเนี่ยมันเป็นอยังยมบดเห็นก็คอบไว้ห้องบดซ่อมนี่แล้วพอเลี้ยวเห็นอันนี้จะข้าวมันเลี้ยวไปหาอันอื่นแล้วคุยกันอยู่ดีๆนี่จะข้ามันคุยกับผู้อื่นอีกแล้วสุดที่สี่แหละหา้ังเชืยรหลวงปู่เพิ่มเยอะ บริษัทเฝ้าน้าบริษัทคุยน้าเนี่ย้องสังเกตเห็นแต่ก่อนเนี่ยหยาดยิ้มมากมากกาบหลวงปูมาคุยธรรมะข้ามูมาล <c oughs> ำกันนิดๆกําลังถามธรรมะหลวงปูพอคนกําลังตอบกำลังเฝ้าอยีกคนหันไปคุยกันอันที่หละ่ะใจเข้ามันโมยูโมหนิ่งโมเฝ้าฟังโมเฝ้าสังเกตเกบิ่ง มันโบเห็นอย่างดอกมันคนสีว้าดีบรรไดกระต่างก็บอเห็นมันนี่สิงดีๆแน่ดีๆสิสี่สสอสารเท่าหน่ะมันมีอยู่จังสัมมาชากันดีแหละคันไปนเห็นคนเจ็บคนป่วยคนเดือดร้อนคนห้องคนหายคนหักกันคนยิ่นคนหัยวยังสิคนตายยังสิ คนเท่าเด็กพิจิหนาเบิงหัวีบิตของเขานอกในช่วงหนึ่งของเขาเป็นยังสี่มวนสนุกสนานเพิด์เฟ่นหัวลาเริ่งชื่อว่าไปเห็นแก่ลังค้นกับระยะหนึ่งคนไฮยูกมี่ไฮยูกมี่ปวยดินไปดินมากอยู่ในรงพยาบาลกม็มนี่เป็นไ คนตายกันี่าะนั่นเชื่อน่ะเท่ากับซีเมนต์หอกเห็นแล้วก็ น, น้อมเขามาเบองเออเท่ากับซีเมนต์แนวอื่นบอกเท่ากับมันค้นคือกันนี่แหละอืมพลิไปกับท่นเห็นว่าเออฮะนั่นเชื่อเท่ากับหัวเว้ยเท่ากับหัวเท่เากับลอ้อเทากับมวนหัวยอกกันมวก น, ม ก, ก, น, ก, นกันมักกันสร้างกันใครก็มนี่อ่า แล้วเชื้อเขากลับไปป่วยอยู่ในโรงพยาบาลมันเจ็บมันปวดมันป่วยแต่ค่คยอยู่ในที่นังเกตเห็นไหิกันคืดใส่ที่เจรณาไปเท่าไหอยก็บ่าคนเขามันบอไปใสั่ซมันห้มออกไปบางเดียวกันน่ะไปวางมันติดแตกมันติดสลายมันติดมันติดตายเห็นตัวร์ไข่ปวยนี่แหละมึงเหอย่างดอก มันก็แม่นเครื่องมาเตือนว่าไกลล่เราเด้อไกลล่เราเด้อไก่จีตายเราเด้อไว้เองสิเนี่ยมันก็จได้คิดเลยอ่าปซ้อมไปกั้งๆโอ้ขนเกิดอนมากที่ที่แหลกคนกะอ่อนมาคนเด็กเขิ่นมากดีใจซั้งพี่ทั้งน้องทั้งพอ่อทั้งแม่ญาติพี่น้องถ้กกันดีใจใน่ยอะน้อยมังจะ รถชื่นเบิกบานไว้คนดดีใจนะฮะก็เป็นนมเป็นสาวกมักกันที่บันห้ดีใจให้ม่วนตายไสนุกขนานเกิดเกินยิ้มหัวมันไปจ้าน้อยแหละเพราะถ่าหนนเป็นไดเน่อายุมันกือคนตีสิบกาไปทด้แบบเนี้ยตีสิบมาสิบลบางนีให้เป็นไดฮะนี่มิจนาเสาๆน่ยผู้เก่าหัอเนี่ย คว่ำยิ่งคว่ำหัวเศร้าแล้วบ้านเนี่ยมาเป็นโยโลซื่อแล้วบา้านเนี้ยบัดนั่นเนี่ยเท่าได้บ้านเนี้เท่ามากเป็นกระซอกกระซวยเวลาวบานเนี่เจ็บใครจะช่วยเจ็บพันเจ็บนี้เขาเขาอข อ, อกออกลุงพยายบาลเศราได้บา้านนานเศร้าในทฤษฎียังสีมาพ้นเท่ากันที่แรกเกิดมากนี่เข้าว่ามันเป็นทุกข์นี่ยแต่ยังบาเห็นแต่ยัง ว, ว่ามวนอยู่ยบัดเทียบบัดใกล้ที่ตายเบีย ยังเห็นแล้วบานนี้โอ้มันทุกข์แท้ๆเลี้ยวไปใช้ก็บมีวังสี่มวลลนแล้บานนี้มันเฒ่าแล้วมันบ่มมวลแล้วเห็นได้ทุกบานท่นผู้ไดเฝ้าเห็ น, หนทุกข์ขันธ์ผู้ได้เฝ้สิห็ น, น, หห น, นหษษษทุกา์าันธ์ผู้ผไดเจ้าหน็าหนทุกข์ขันธ์ผู้ไดเาเห็นทุธผู้้เฝาเห็นทุกขนธ์ผู้ไดเย้าเหนทุกขาขน้ได้เเห็นแล้วบนี้ได้เฝ้าเนทุกข์ขไดาหรับสู่อันนี้ได้ว่า เน่นภูเ ป, ป่าเห็นไหมท่นภูเ ป, ป่าเห็นทุกอันมามาภาวนาบัดนี้ขอมแล้วภาวนาแล้วช่างเห็นบนัดว่าโอ้อูจักข้างแล้วเลยีโมเมนไปไง่ายกว่นี่ยังทํ า, าม่วมสงบเล่ามูนดูน่นสังเษาะเป็นนุ่มเป็นเชา้าจนวัดเ่าโคกรโตเต็มเต็มที่ภาวนาเป็นบอทําคข่วมสงบเท่า น, านั้นะท่านเป็นละบ้ ท่าเป็นท่ามทํานันพ่อสีเพิงได้บ้อยยังสีเน่ะโอ้เห็นไม่เห็นเลรอมันมันบมเมนง่ายได้ป่ะนี่นั่นแหละต่เลยในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยเลยเดเฮ็ดนิดเดียวเลยเกิดมาเมื่อชีวิตในเเฮดนิดเดียวพอมามันมั่วไปมวนอยู่มันเป็นอะไมาหัวซากค่วมพระพุทธเจ้าเดเฮดนิดเดียวก็เป็นยังไดป่ะเนี่กระบุญย้อนเดเฮดนิดเดียวเนี่ยก็นยูนี่มาเกิดอันมี้ร้ายแน่เนี่ม่เกิดเป็นคนอี พันมีบุ่นไล้เจอคนใหม่เลีเกิดในประเทศเห็มันมีพระพุทธศาสนาอีกะนะเกิดมัาแล้วก็พลงอีกแล้วลี่ม้วนไปเรื่อยจนกระทั่งใกล้ที่สายพันล่ะเกือบเกือบตายเป็นพันละ่ะยังคือเห็นทุกข์นี่เอาอีกแล้วก็ได้นิดเดียวเท่านั้นนะยังว่ามันว่นไปว่นมาอยู่นี่รวมที่สุดสายมันนี่โหยันน่านโดนไปเลยทีดียวที่เจริน่าเนี่ยอันนี้มันมัน ขันเท้าตัง้งอกตั้งใจซ้อมดึ ง, งมันจะเห็นเราโก้ถูกจิิงทูกอย่างมันเป็นอนิจจังขันเท้าว่ามันมวนกับมวนอยู่ข้าวเดียวเท่านั้นเองจะข้าวกับิีกเมดแล้วอายุเนี่ยเป็นอนิจจังถูกจริงทุกอย่างเป็นทุกข์ขังสมภพเห็นบอกเขดินขวดๆอยู่เขาสักใายอยู่กับ น, นี่เขาเค็บเขาปวดอยู่กับ น, นีห้องให้ห้องเชื่องห้องเชื่องไห้เชื่องคิดกันคากันที่มวลกับนี่ จะเห็นตัวมันพุกนี่คนตายจะเห็นี่ยด็กไปงานศพเขาจะเห็หดหน้าศพจะไปร่างนาศพสติ จ, จูศพทเ่จะไปน้ำเขาเนะี่ยจะเห็นว่นาคนเท้าซ่อมดีๆเราวสีเห็นอนักบริซ่อมเท่านั้นแหละมีแต่มวนไปเรืเ่อยหาตนังเชือกเห็นงานศพจะแก่ยังไปมวลอยู่ไปมวลมาจิไปเบิ่ง มหัลยครขบงั่นเขาจะไิกินเขาต้มเขาเขาต้มสบมันแสบเ น, น, นี่ยยังบื่มวอยู่นั่นแหนละไอ้ซ้ามได้ให้กิเสื้อน้ามันมีแนวดีๆให้ซ้อมมีสีฝนทุกๆแนอนแนว่วูนี่หลายอยู่ใ น, นอัห้าวพรปล่อยพันกิดซื้อมันกับใยมันโบยูดอกแต่ว่าอันอื่นกับเกิดม่เห็นอีกอยู่หา้าวแต่นโป๊อีและค่านั้นค่านี่ไปเรื่อยค่าหลายแนว